ให้ลองนึกถึงสภาพของสถานที่ที่มีแต่การเปลือยกายร่วมเพศคลกคลุค้งไปด้วยกลิ่นน้ำกรามถ้าต้องอยู่แบบนั้นทุกวันตลอดไปนานเป็นปีๆมันจะเป็นสถานที่น่าบันเทิงหรือน่าขยะกขยงคือจิตเขาเลือกสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสถานที่เกิดใหม่ชาติหน้าให้เหมาะสมแล้วกับสิ่งที่คุณกระทาในวันนี้นะครับหากคุณมองกดแห่งกรรม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 เหมือนคุณได้ฝันดีอันยาวนานแต่หากคุณสะสมพลังงานไม่ดีความชั่วต่างๆไว้มากเท่าไหร่นรกที่คุณอาจคิดไม่ออกว่ามีสภาพเช่นไรก็ให้นึกถึงสภาพที่คุณต้องฝันร้ายแบบน่ากลัวสุดๆและไม่สามารถตื่นได้นั่นแหละตัวอย่างของพลังงานของจิตอิสระภายในที่เขาจะสร้างสิ่งแวดล้อมและจะัดสรรทุกอย่างให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณสะสมไว้